ำบสอบวกสว้อยูุ่ใจเถื่อนพระพุทธธรรมผสงกับเถึงอยุ่ใจถึงหละพระพุทธธรรมผสมกับยุ่ใจเนาะว่าหนาวลบไปลบมาเลยขาดรลบวก็ทันน้ำแข็มาเคิน ลกสาบ้องน้ให้นี่นี่นน <c oughs> ยี่สิบอย่ิบสอ ง, สองเอแล้วมันขึ้นมันผลมันผลว่าร่งบหายาะหัวย่ามันขึ้นา <c oughs> จะได้บมกขึ้น เ, อ, เออลมพัดหนาวหนาั ย้ำหอนแต่ยำหอนเ่เย็นบาบ่หอนทเขาจยิงเย็นก็ย่บบานบานหอนเจ็ดยำหอนบ่โอ้ มีรถกะไม่ง่ายหรเจอรถเลยับรถกับพ่อานาพุทธโตท่านอะรก็วัดเรื่อนออกนะกับรถพาอหนาพุทธโตกับวัดดักเจอร์อะไรขับรถพ่อหน้าพุทธโต ใ, ในใจพ่อซาลุถุน้วคนพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณพระธรรมประสงค์ใจเป็นอันตรายเลยนึกจ้าขันอะไรก็ไปมเม่อปียง่แล้วเนี่ยพวกนึกจันเจอมาจะชวนบงองบงแก้วทักเา่ รเรื่อลัอาฝายปูข้อรถเต็มอะยะแล้วนึก้ส้นเขาลายเต็มอะยะอยู่ขเขาเนะ่เวาว่างคเลือกสือโคร่งเาทำประสงแล้วื่าปิางรถเนี่ยขับรถยาวึงแขงทังทั้งทัา ง, งพึงฝายอบายแล้วมันปลอดภัยอุบายนะของเขานะั่นปิงน๊งนอานึ้ว่าจมดักเสียรถนะ เมื่เขาเจมรถนะสันฝ่ายผูกข้อรถมันทัวมาไล่อันใช้ปุกล้วเมื่อท่านโดนพน่นพูดอะยุกรมตำรวจคนโซเ้าครับดีดีไมได้หรอกยากติกแค้งทางเพืงฝ่ายมูลักกล่วว่าไอ้สันเขาว่าเขาบอกม ผมขับรถจุ่มห้องอุดร12ปีแล้วมะเปียงจักเตือสิจขึ้นรถก่อนเลยหรือถึงคนพ่อคุณแม่คุณพระภูสธรรมประสงค์ได้ป็นอันตรายอะไม่ได้เจอเมสสิสิโมเขาเอ้ยว่าท่านโดดนกสกองยุตรมตำรวจอย่งนี้แต่งเข่งต่างหาก้วยส้ชอบงุอาจารย์ได้ก็ตออาจารย์ได้ยิ่งสิยู่อัานแลว่ิเพราะคน่ยังมาสั่นรอเอาข้าบริสุทธิ์เนี่ย กินไก่ดีเลยครับคุณอาจารกินไฟไหม้รถธรรมดาหรือมีไฟไห่ ah m, ้รถดีว่าดีเลยคัอกระต่องจัดเลยว่าเสียงรดกับเสียงรดท่อธรรมดาหรือเสียงรถมันเสียกรตองฟวักเลยว่าทางสามแยกสี่แยกมัก็ะวิ่งกับรถไฟมาสักบางหน้าบางหลังมาสักันเส่งไปรดเิี่งปรดข้องตมาักมาว่าเอนถเขาว่าตัวเขบโปเกงมาสั ว่ารอกสันว่าเขาคนหน่อยย่างนี้มาสั่ง12ปีแล้วคนน่อยว่าหลดผลว่เป็นตาแซงกขบ่แซงเขามาสั่าไปแซงเขาแล้วถึบัคขีเราว่า้าวึงก้อนแซงเราเรียนน่วนมา่ทั้งคนตะกัดแฉวด้วยกันนี่่มไปที่สั่าในที่ชิบที่เมีขั้นอื่นมาขั้นไหว่าสั่เพงหลดาสั่งมอุกตันมาม่เอานม เอาพระพูทพระมพระสงฆ์อะเจ็บมันหลูกล้านเลย้โทโทษผโทความกระมือนีน่อม่อเขาม่เอาไม่าม่เอาไม่เอา่เอา่เาม่่เอา่อเอามเามอาไม่าไ่อ่า่อ่ไม่่ วัน้นๆ่อนอยู่ได้ทั้งนแม่ข่อมีคนเก็บคนตายใ่ไเรน่อุ้ยบพี่ีนะเอาได้คุได้คุยจนปหาเนจะได้ช่วยกันหาโอ เราเราพื้นท่้นตัวบ่นี่ยใช่เราเอาพื้นรถตอกวางพื้นรถหลังหุ่มนั่นเออเข้าใจพระพุทธเจ้ากับพี่เจ้านะว่าเรามีความแก้เป็นธรรมดาจะหลงพ้นคคนงความแก้ไปบ่ได้เรามีความแกบเป็นธรรมดาจะหลงพ้นความแบ้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะหลง้นคนตายไปบ่ได้ เาจะกลอบพักกักกราบของรักของกรอบใจทั้งนั้นเรามีกลับเป็นของของตัวเราทาดีจกักใดดีเราทำตัวจากใดชัวมันเก็บมันป่วยมัดห า, วาหวาหายามาั ก, กิ่นนั่งเลยแต่มันหายก็หายผู้หาย ก, ายก็ย่อมตายข้าพาวานาผ้โทฮ<อ>ะลกูลกปูเป็นโรค เ, เดื่อยวนี่หนึ่งโรคหัวใจ สองโลกใส่เลื่อนสามโลกทุงน้ำดีเป็นนิวสี่โลกกระเพาะหาโลกท้องผูกหกโลกโลูกมากโตเก็ดโลกทุงน้ำดีเป็นนิวแปดโลกเป็นตะคิว้วเก้าโลกสลาระในน้องปูเพนอยู่นี่ นี่เก้าโรกเาหันเหจีวิปัสสายังมู้โตหันมันเป็นธรรมดาลูกหลานเอ้หายหวานหายยาเมาเกีนมันบวมเป็นผีมันสาวไปสางดอกไอ้พระวนาพุโทหันเบอกการถวะยชีวิตต่อพระพมทธองค์ทุกมือ เอาพระพทธพระาตสงฆ์แลเือได้ไม ї, ่เือได้ขอเป็นขาเป็นขาวกับพพทพระธาตุสงอยู่ตรงมือและเลือกได้ไ่เลือกได้ขอหมอกกายถวายชีวิตต่อพรพุธพระธาตุมง์อยู่ตรงมือและเลือกได้ไม่เลือกได้กว่าดีขอขมาโทษต่อพระพุทธพระธาตุสง์อยู่ตรมือและเลือกได้ไ่เลือกได้กว่าดี เออเอาอันนั้นเนีวยเอาอันนั้น่ะลุงเอ๊ะไ่ไปยังเนาะนั่นแหละของดีดีก็นั่นบ่มมีดอกในโลกกันเนี่ยดีเขาพูดพระทาตระสมบมีในโลกกันเนี่ยโลกอนาคตกับบวมมีโลกอดีตกับบ่มมี่สุภาพพูดพระธาตุระสมฆ์อะไรพูดกับบวผีกับบวกายผ้ากับบวไถ่ไก่ผีไท่กับ่วมหาอะไรอ๋อได้ละบวมี่บวมมี่ของดีเนาะเอื้นสิลืนอันนั้นดอกคนทั้งหลายตัวกันนเสดอก เดี๋ยว่าดีอันีอันนี้บบเสกว่มับเสกแม่บเอาฝายมาปลูกแขนปลูกยังก็สเก้าหรียลูกเอ๋ยสูคุณพระธรรมสูงอะไรหรอกเอาไข่มาเพราะว่าไข่หน่อยนึงเราก็ไข่หน่อยเพราะว่าย่างนั่นย่างนี้แล้พอดะเด็น้อนเด็นอคุณไม่รมเลื่อนนะคะคุณอยกรงใจนิดสิทุสุดใจนี่เด ก่อนจะได้ตัวก็บอกผิดใจก่อนนะคะเพื่อ่างนี้ยวที่เดียวจ้จังไหนเฮ็ดจังไหนก็จะไปเจอเพื่อนนะคะโอ้ยชาวบ้นไฟุรพ่าเจอมันร้นหนึ่งลูกผู้ว่าได้เจอไม่เคล่อเลยเจอร้นน่ วิธีนีเปลี่นนค่ะตัวกหมื่นวัดีแยกทิ้งันไปน้ำเบาก็เลยขนาดจะว่าเป็นรมันลายหรืว่าเงินดีโอว่าตำเขาเขาประมาณตำตาจตมอ่าพอมหน้าแม่แม่พีได้น้าทะหลูกเอ้ยโคุณพ่อคุณพระธรรพระสง์คุณพอคุณแม่คุณครูว่าอาจารย์คุณท่านคุณแม่คุณราทั้งใจโลกะถาด คุณมาคุยพระทรรมาระสงเป็นพวานาแล้วให้มีอันตรายไดๆท่างสิทธิ์าสั่งก็นึกจังสันมันกับมันกับปลอดภัยเั่าไรแล้วเขาบานจังสันมันกับปลอดภัยได้ส่วนนั้นว่าอะไคุณผููบ่าอาการคุณมาคุณพระธรรมพสงฆ์คุณพอคุณม่อาแล้วให้มีอันตรายไดๆท่านสิทธิ์ังเขาก็นึกจังสันส่วนนั้นว่าอะไรเราเพื่อหัวใจเทาไหเจอบกระซับเจ็บมัแล้ว ไปแต้มยังมันจะมุจักขีดดังเด็กยังดไปแต้มสุดจดปอดจะแตบเขียนอักขระยังนั่นยังนี่เพราะมันเก่าขนาดี้ฮะโอ้ยอมตายกาบพรพุทธพระมพระสงฆ์งออมกายสวาจิเวตอรพุทธพระมพระสงฆ์ในตัวเมือไม่หวานไม่หยาบมันก็กินทึกก็ทึกวัถิก็งออมตายมองสั่นวะมองสั่นเนี่ ก็มีท่านห่รหรือาคูก็ไรเออเขามอกกาชวายชีวิตตอพระพุทธธรรมระสองฆ์ตรงมาผมมีประมาณต่ ต, าตา่อเท่าเขาสู้เในภานาันแนวมันก็มีท่านั่งหรือว่าครูก็เฮ็ดท่านังุมมัดมัดแดงท่านั่งหรือาูก็เห็ดท่านั่ัด เ, ดห เ, หหเห็ดนว้อื่นวันนี้เนื้อืนอ่นนท่านัเออ เอาตั้มาทำก็ได้ลูกตัทบปุอือนมากกเพื่อนในกกินนี่ว่าม้มย่กิจจาดอกกันอันนี้ไม่รังเออเอออะนั่นก็าหันไรนะมองๆาหยมันมองๆเอาเหี้ยมันนนะเอาเหันนอนี่มก็ทำาพระพุทธก็ทระสงทุกเมื่อของดีก็พระพุทธก็ทำประสงทุกเมื่อทะ สูบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไลยจักแน่ของดีเนี่ยรรของดีเนท่านิใจมันสีม่วงหนิม้ของดีเนีจยจิใจสูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเลยจักแน่อทรณโทัโมั้งโคใน้านังโททโมั้งโคใน้านังโททัโม้คใน้าังอทธทัโม้โคใน้านัง อันนี้อบูาบาุสงเนี่้มันแหงมันเงาเป็นไอ่เอ้าวันนี้เอ้าบูซาอบูซาซาุสงงนี่อันนี้อันนี้บูซาบาุเนี่อันนี้คือการเนี่บูซาอบูซาซาบุสงงนรถไปเนี่ยอบูาบูซาซาบุสงงเนรถนอเอ้าวจะมีรถเป็นอันตรายแสนอว่าาลวามาอันนี้า นี่เอ้าบูชาบระพุทธธทรประสงค์เียนขอรถตังบูชาพระทธธรประสงค์ว่าหามีรถเปลนอันต้แล้วสน่ะอันนี้ก็ไฟนี่ก็ไเอาไว้ที่ซาบูชาบระุทธธรรประสงค์ตั้งนีอันนี้เออเออเออเอไปปเดียวอนปุงนป่นปุ่นปุ่น่นปนปุ่่นปุ่นป่น มันเห่ยว่าขูช่ชะตาเขาลดไปเอ อ, เอา ม, ามาเหีมัเออมาุกุกด้นี่บอพอบดค่ะพอบาทนอ่ค่ะนอกน้องเออเอเอ ก็มาหาแล้วเนี่ยเดีย๋ยวไหนกันเนี่ยาากันเนี่ยพวกมันมาหาบุตรน่ใครก็เกาเนี่ย ดยเด็กคุณพระพุพ <finishing pressure developed> <Wall jaar Twilight> ทธพระธรรมพระสงฆ์ย่าไม่อันตรายดๆทั้งสิ้นย <médico S 2> ุทธทุกเมื่อไ่มีประม่านขคาือนั่นนะเจอมล้เจอมัใจคนดยเด็กคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เที่วุนเทวดาพอินพระพุ่มพยมพระการจ้ะดกระบาดังสี่พุนพ่อคุนแม่คุ้นคู่กอาการทั้งทั้งใรูประทาซึ่งเป็นเมื่อขืนของคุ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่ามั่วเฮาทั้งหลายไม่อันตรายใดทั้งสิ้นยุ่ทุกเมื่อม่มีประมานของคาถอนั่นเนี่ยก็มัดตลอดอย่วน ผู้ใดป่วยหลายผู้นั้นเคยเบียดเบียนสัตว์แต่ศาสตร์ก่อนส่วนลูกปูเคยเบียๆๆดเบียนสัตว์ก็เหมนปูปลาหน้าหน้าเนี้ยขาตะพื้ตะพื้นเล็เกทีเด น, นกหนูปูปีกพวกน่ะจะอยู่คราวาบาไรลูกปูคดฉีบบาลด้ตงว่ามันเป็นโรคร้ายคนคดฉีบบาลด้วยคดเป็นโรคร้าย เฮ้าเป็นโลกอะไรเจ็ดแปดโลกผู้ลกูกผู้เทพพระมิตรโลกสลายเนี่ยเดียวเฮ้าไม่โลกแปดเก้าโลกเลยคนชีบาปเฮ้าถ้าบุญอุทิศเท า, ามันกลับว่าอา๋มึงชนะเอ า, น, านั่นเทานั่งตัวคือนกตัวนึงเข้าไปอยู่กับผู้้อย่งมันมันตกลงมวเข้าไปถอดลูกลูกผู้ออกแล้วก็กกอกกอกนกเขามึงนานะมึงชนามันจิว่าไะคือ นน <f ans> มันก็ได้นํำท่อละม่านลงปูอยู่เดียวเป็นโรคหัวใจอยู่นี่ยิ่งนกเขาตัวนั้นแหะคืหอหัวใจคืหอหัวใจ ป, ปั๊บท่านได้อายุศิภาไปตกล็อกก็ แ, ก, แ ก, กออกมาตกล็อกแกออกมาเอาปุ๊ปสองวนันได้นกเขาตัวเดียวถอดอลงปูออกก็ก็ก็ก็โอ้ยกูเข้ามาพ่อยากปีนห้องสมุดดิแต่มันใส่คากูว่ะสั้น ตัวว่าเอาตัวเอามาปีงตัวถือไปอวดเขากูด้นกเขาสูงเพราะั้นเขาพันมาให้ตัวนกตาบอดเพาะฉันเครียดเพราันที away, ่ตาบอดจนีไยนนี่เรตาบอดมาทาพี่บิงพาะันโอ้โหพ่อจะกินซะดิเพราะฉะนันผูกกันเท้าก็ก็ก็สองบาทใจไก่หรือขาดยอ่มากเยอะาอดสองพันาร่อยสามชิ้เพราะกลับเบิดขึ้นนี่ หลงหัวใจออกไปโรงพยาบาลสีน้ำขลิ่นของแกนเกือบวะท่านเม่นนกตัวนั้นและตามมาใส้เวทเยน็นกนมาแล้วใส้เวทเย็นใช้เวทไกลมามาแล้วไกลกระของตัวนึงมากินเวทข้าวขาออ้ออก อ, อกปากเสือ้อปาเสื้อข้าวข้อจะลอยอยูน่นี่แหละไปใช่เวทอปลาเยน็นพอมากินนั่ แมื่อโตสองโตมื่อไโตสองโตยันตายยันเ้าเนี่ยพระธรก็จะเศ้าโตเลยยันจินเบ็ดทำอะไยันจินเบ็ดมันก็จินหอดทองเนี้ยเดบ <astronaut> ักออกมาเป <ell an iera Aladdin> ็นโรกสูงดีนี่กันเขาไปปวดโลกขอนแกนเขาก็สายยางงับตรงนี้ละเนี่ยงับตรงนี้เนี่ยเมื่อไรก็ยันจินเบ็ดโลกหวถี่หัวถ่อ๋อยงโว้ยเคเห็นเวน ยนตัวเดอ๋อน่ะมาอยู่แล้ออไปไปชคปโชคดูใกล้ปักชคปโชคนะวันนกระโชกยังไงกระกะโชคโชคกระโชคทำดีนะโชกปรเล็นเลขกันวมันจะโชคยิมหาอ่ะงั้นว่มันโชคแล้วกั ไป เ, เ, เไรื เ, เรืยเหย น, นพาีนบ้านเีนเบอชิบหายตายแล้เวเนื่องกับชิปหายหอดถหรู้ว่ายั่งอ่ะนั่นเราว่าช่างจะเริ่มเรากำลังอ่ะเรยนเรียกเรีนพ้าเรนบ้านเียนเบอร์นี่ชักน้อย่มีเงินไปตลาดทน่นตะะเรียนเรื่อนั่งจ้านอะไรหเรียนเรื เ, เขาได้รู้ว่มีเงินไปตลาดตายเขว่ า, ม, า, า, ามีเงินซื่อกถไฟ่้ามเรีนเรืเลยเนี่ยมันก็คอยบอกเรื่มึงอะบ่ เดีนไทยกับวัดไทยเดียนหน้ากับวดหน้าลรวบอกคนทุกข์เยอ่สุดเลพอาะเรียนเลขกันแหละนี่ใคลเอาไปประจําน้ำจําจองเข้าวัดกงข้าโกงหมดแหวนหมดนเข็ดนิ่นจินดาที่พ่อแม่เอาไว้หายหมเลไปเรียนเลขวัดนี่แหละเจ้าพระกันหาบพระสันรักนกรัรังคนหาบเกินจ้ซื่อปะทูกมากินยังฉีดี ซื้อปลาทูทะเลมา ก, กินมันยังคิดดีถ้าซื้อพริกซื้อเกลือมากินยงังผิดดนีก็ไปเรียนเด็กคันสถานีเด็กไม่มีผู้ใดเห็นได้จก้นรัฐบาลเขาเหรียญเขาเปนเอาเงินประชาชนเอาเงิ น, นรัฐบาลไปเหรียญ เ, เขาเพิ่งเอากระเป๋าเขาเสียกัแม่งเขาหมดเป็นผู้เสียเสียกับแม่เงินชวนร่วมเป็นผู้เสียเขาหดเสียเข้าไปพิบ่า เ, าเงินเข้าไปสู่เขา ไอเจ้ามุดหวยก็รวยมกันเล่นะรเจ้ดวยก็รวยมันไผ่พวกล้ยก็ายจะลยจิ๋หายรย่างลุยทั้งริเด่มมีเด้ปัดขอกปัดขอบเดือนห้เป็ดเสียห้ยเดือนหน้าเสียหน้าเดือนนี้ยังเสียมดเอาบ้าเสียห่อนเหมือนตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยสอบหาสมุทรทองกับบ้าเสียเรื่องไง ชิบหายพระพุทธเจ้าเบาเลยพระพุทธเจ้าประสบการมากพอแห้งแล้วพระพุทธเจ้าบอกมันคนมาประสบการณ์ขนท่านสมัย่าอแห้งเลรื่องสางคาวัตย่อมเงนกะได้ม่ห้องแล้วต้องขนพรนีช่วเรเพระเห็นว่าก่อนมดเนยทั้งแล้วมันจะเลิกมันกระบอกเข้าทั้งหล้มันเสื่อมมันกระบอกห้้าสูพรนีท่าไหรสนีบสามเละตัวใบสอ ดูช่วยเลยคะเดี๋ยวรูปอนรูปน้่ะโอเคอนี่เลเอเอาะน่ะบนอเต้นวนาเอาี่บบเียดพลงูยเอะนะเออเพราะนเทาอยู่อ๋อเาะเราออเออเอโตยิ่ใส่โ เป็นผู้ช่วยพยาบาลยุคของข้าศึกค่ะเอออ๋อว่างเจ้าจิตเจ้าบอกข้าเมืเ่อไรแล้วห้ไปเขาเอาปันโลกเอทหายแ่หรอหรอกูไม่รู้เลยเนี่ยเออก็ข้าศึกเนีมันเห็นเรื่องเนี่ังแล้วมันหานอีนั่ย่กอาจารย์เชิญะคะโ อ, อมาทำบุญอางมรูกักเลยทั้งบุญบุคคลในบ้าพอดีมึงพามึงซุ่มมองมาได้หนุกข้าองผิดตรวจอีกไดแล้ว หน้าหน้าปานี่จำล่างสองอย่างบอมันสบายอยู่บ่เขาขึ้นเงินเดือนเหรมันบ่เขนเยอะโตได้หลายๆหน่อยดูได้ปุ๋ั้งตัวมันเนี่มันเป็นมือเลยมั้มันเป็นมือเยสิเหมันไปก้อนโตไหมันบ่คุณหมอเวลาจะไข่หรืบ่ค่ะมันเป็หนว่ามันก็สบายไรได้เห็นดอกไม้ต้นเลเายล่ะนจุวดบ่ ก็บอใจใช่ป่ะแต่ก็่โตนักนใจอ้โอเโล่งใจอะปะตันเป็นย่งี้ต่อนี้ยัไม่ไดยลวนกว่าโล่งอันก็ทบกร้เสื่อนกันในวงนั้นอะไรกันแบบนีโอ้แกกครร้ายวซ่เนีรายกันยืดมาดกเส้นไม่ใช่เส ก็มาเนยค่ะมาเปิดคือคืขนดไหนตรงการคิดสตรงนีเนี่ยมาใช้ได้จริงตุ๊กตึกสองอืมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่าเดคอจะพาใช่ไหมเอออืมเราก็เริ่มมาใช้างว่ไหมเราเริ่มานี่แ้วใช่ไหมล่ะพาใช้ใช่ไ อันสงอันลุงท่านไปพักบ้านลรงพยาบำบัดสงอันลุงภูเถิดชายหงอกลุงภูเถิดขียจืขอหลุงภูเทศ ลกผู้เทพที่เขียนยลกมหาเน่า่ยเขีนตัวลูกผู้เทพคนเดียวลูกผู้เหาเขียนบ่เป็นเขียนเราะง้นเพราะว่ามันเปิดมันนแบอยู่แบบลกผู้เทพเนาะบนตังคีราร่างอะ ถ้า่ี่เปิดมืออื่นอย่างเงี้ยง่ายๆกวแ่ถ้าเนี่ยไม่จะไม่ไม่ไม่ไม่จะของไม่จะสัอันเลยคะซีันค่ดตมาจาไหดตออกัวตัดกเลเชื่อมไปได้ค่ะไปเปิด้วางุนงานดูกเิ SI いいูนนใจของอาจารย์เช okay, ิด้ไมู่ไม่กอ ว่ายุงเยอะกั น, นลแล้วหรือเปล่าแล่าเล่าถ้าใช่ก็ยุติทำเดิมจ็ทำเตามเอกสารที่ทวิจารณ์อันนี้พวกนี้พวกเป็นข้อนาราตัวนี้จะเราติดมาหนาะผู้เดียวเราบริหารจะเป็นผู้บริหารส่วนธุกิจครัูโอ้โหเราอะไร่านว่าจะทำล้วล่องแม่หอเปล่ ไม่ยินไปไงหมดไม่ยินไปข้าผู้ประชดมันปรเจริญนียนว่าเป็นรายการวยฮหนูเรีนว่เป็นรายการไม่ได้เรีนไม่ปเรีนมันเนี่ย พระวนาพุทโธเห็นรับข้าพระวนาพุทโธว่าจังห่เป็นกันตราดไว้สั่งได้พระวนาพุทโธใครเป็นผู้ขับรถมาเออพรวนาพุทโธเนอะไ้จับเปลี่ยนจะไปแซงเขาเอะไปิดถือบัคชีเรามให้เข้าือก่อนเนอเมื่อกี้ตอนขามามื่อเช้รถตุ๊กตุ๊กขวบย้อยปากเบรกนี่้ยบตุ๊กตุ๊กกันค่ะเออโฟล์ดมาใช่ไหมวูแต่ก็เห็นพวด มันว่เป็นน้ำซันมันดังแหงมันว่าได้ยินเสียงก็ขึ้นมาจากซ้อยหมู่บ้านเออไม้ต้นโตเดี๋ยวเบิ้งเลยปวดไหมอยางเดียวบุดยิดไปบ่เบีรกจอยเ้ยหรือคุณคันรหนูเบกวดดีเออเดี๋วมาซันเออเจี๋ยวมาซันบ่หนูซันเลยหรอท้อปรีบวดบ่สมุทรเกินาเซี ระ ว, วังนะมันดีดูไปที่ร้านนี้ระ ว, วังนะมันดียันจะแสงเขาว่ราจําเป็นบางทีเนี่ ย, ยสามเนี่ยระวังนะมันดีเพเป็นตวัวอิฐจะไปนี่มันป็นกแสงเขาเขาจะไปแส้ไปแส้ไปบักขีเราว่าเอาขึก่อนเนี่แสงอะไรมามทีนะที่ของเพียงนะสามเนี่ยสี่เนี่ยระวังหะมันดี สองเนี่ยจคดอถ้าสอดเอาไปในโรั่ออกไปข้างหลวงเระคิดอกไรฝากวันกน่กองบ้งไหมครับก็หา้ามิโค้งได้ไปตะขวงมาข้างเลยตะพันเรอจะโค้งได้เนนด้อไประจุกกระจุกเนอะเออกระจุกกระจุกนะกโถสมโถเน ถ้าคัดทำมาหาขืนหาขืนเนาะทุกนทุกคนจะเริ่อนในตุ๊กนาไปภาวนาพุทโธไปเนาอเขาขอขืนรถได้ข้นเนาะพุ่ยิ่งอะนึว่าบ่ค่ะบ่แคจอดีนมันขุยิ่งขืนไปแล้วเขาไปล็อกข้อขน่ะเขาบอกอะไรไปส่งเขาขนาดภาวนาพุทโไปดวนมากเจ้าค้าขำหลังเลยขนาะไปรดเว้ยแต่ผู้ยยิ่ง แต่ขา้าวฟ้ามันก็ไปไม่ไดพระพุทธศาสะนาะสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรมสลิมเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วสอนวัดนิยม แะอุดมคติไปในตัวพัฒนาวัตถุในลมพัฒนาอุดมคติไปในตัวดูวยสอนให้เวนอบายยมุกดูวยทาไมเวนอบายยมุกเห็นกลุ่มจักว่าเป็นรบัวบรรดาเอามือเอื้อมไปใส่มือก็ขาดอบายยมุกทุกประเภทเป็นไฟไหม่โลกเวนอบายยมุกซักโลกก็เย็น นักพุทธศาสนาสอนโลกเติมภูมิทุกๆทุกสมัยตรงกันเลยตามตอ่อนักปฏิจจ ա า, ารรมกีนล้านโตงก็ตรงกันเลยไม่มีแข่งดีแข่งเดินกันไม่มีขอพ่อข้อแม่กันมันจะทับพ่อกันไม่ได้แข่งดีกันเลยมันถูกพคนนี้ เป็นดิงด้วยเป็นดิ่งของชาวโลกทุกทุกทุกสมัยด้วยเป็นธรรมารเจปไตยเตรียมภูมิด้วยไม่เข้าข้างคนรวยไม่เข้าข้างคนจนไม่เข้าข้างประชาชนเข้าข้างธรรมอันนี้ใครเอาไปใช้ก็ไม่ผิดผู้ปฏิวัตินอ้อยเผเห็นคุณน้อยผู้ปฏิบัติมากเผยแผ่คุณมา ก, มากจะให้ไร่ประโยชน์เป็นไม่มีเลยคาสอนในพุทธศาสนา พระทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติครอตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วฉะนั้นผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตามดย่งทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงทําจะควรรู้ควรจรงทรงสั่งสอนไม่เหตุที่ผู้ฟงังอาจจะตรองตาหเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนเปื่ออาชจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ รับประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเมื่อจากพุทธจริตตัพุทธคือพุทชั่วด้วยกายวาจากใจประกอบพุจริตคือบอกพุทชอบด้วยกายวาจาใจถ้าทาใจของตัวให้หมดจดจาเครื่องเศร้าหมองใจหนีโรคโกรธหลงเป็นตทนทําไมเราจึงอาบน้ำร่างกายมันตกปกระบอก ก็ปฏิเสธการอาบน้ำไม่ น, าน่าทำไมเราจึงปฏิบัติเสครับเพราะจิตใจมันจะปฏิเสธไม่ น, าน่าถ้าโรคโกรธหลงมีจริงการปฏิบัติโรคโกรธหลวงเพื่อบรรเทาหรือให้เงืนงายไปก็ปฏิเสธไม่ น, า น, าน่าทําเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างเนอเจลวความละอายต่อบาป ค, ความคลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ ถ้าโลกมันมียาอาสว่าไม่มีความกวัวสบ่าเนี่ยกดหมายกดโ ม, ก ด, มกดพักกดพวกัวกดตั้งไม่อยู่เู่ค้าทำไม่นําคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาสัยทําความชั่วไม่ได้ในที่แก้ก็ไปทํำในที่รักมันก็ทําในที่แก้งอีกเทียด้วยมันอว ด, ดอิทธิพลถ้าอวดอิทธิพลก็ขอให้อวดอิทธิพลในทางดีเถิด อ, อย่าไปอวดอิทธิพลในทางชัว่วเรธธาพุทธศาสนา ถ้าจะเป็นเจ้าพ่อก็ควายเป็นเจ้าพ่อในทางดีถืออย่าไปเป็นเจ้าพ่อในทางชั่วพระบรมราชนุภเป็นผู้ใจถึงก็จงใจถึงในทางทําดีถื่อนอย่าไปพูดไปใจถึงในทางทาชั่วเลยมีอิสระก็จงมีอิสระในทางทําดีเถือนอย่ามีอิสระในทางทำชั่วเลยพระพุทธศาสนาบอกทําดีเข้าไปบวกดีอยู่ที่ใจเนอะ คำชั่วเขาไปบวกชั่วที่ใจเนอะไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ดินฝ้าอากาศดินฝ้าอากาศมันไม่รู้อี่หนวอิ่นอ ะ, อะไรถ้าทําขึ้นกําไดใครก่อคิดใจเป็นผู้ก่อขึ้นเมื่อจิตใจทําดีใจก็รับผลดีในที่นั้นเมื่อจิตใจทําชั่วใจก็ได้รับผลชั่วยกมาถายเมื่อใจนึกโกรธคนก็โกรธก็ไปหายใจ เมื่อใจนึกเมตตากรุณาผลของใจเข้าไปเมตตากรุณาก็เป็นที่สบายใจเมื่อใจนึกโกรธใจก็ไม่เป็นที่สบายกันนั่นนั่นคือบาปท่านพูไม่มีพระผู้เป็นเจ้าภายนอกมาสร้างให้เลยจะไปตู่ว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าภายนอกมาสร้างให้ก็เธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นเรียกว่ารโรคทิพย์ใจทิพย์ธรรทิพย์ ลุงชันเพลิงเป็นโรคทริปไหมถ้าใครไปหลมก็เป็นทริปร้อ น, อนถูกไหมผู้เว้นเป็นทริปไหมก็เป็นทิปไม่ว่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ร้อนใช่ไหมไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเพราะผู้เป็นเจ้าจิตพระพู้เป็นเจ้าใจของพวกเราทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นพระบรมาสารีรามเราเป็นผู้รู้ธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อน เราตถาคตก็ไม่สามากรู้ทําได้ถ้าทํามีอยู่ก่อน้วาจะสามคตจึงสามารถรู้ทำได้เนี mm ่ยยังยังเขารถทำยากแกรจมไม่กระด้างกระเดื่องเลยทีนี้ถ้าไม่มียายต่อบารไ ม, รม่เป็นพวกกว่าตาบารแล้วมันก็ไปร่วมแล้วหมดชิ้นห่าใช่ไหมถ้าชาวโลกนับแตรู้เรียงสาธมา ผู้มาไปเสียสิริพิษมนุษย์ก็ยกไม้ซักส่วนผู้คนดีนับแต่รู่นยังสามาอายุเจ็ดปีมีศี้ยนธาบริบูรณ์ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหรินทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโทษตุรนก็ไม่ต้องมีขายขอก็ไม่ต้องเฝ้าเรือนจำก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมี นอนก็ไม่ใช่ล่วงภาวะเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าถูกไหมโรคก็สงบโรคเอกมันมาจากประตูไหนมันก็มาจากประตูที่ล่วงระเมิดศีลห้านั่นเองข้าพันกันตายอยู่ตามทุ่งดอนยามันมาจากไหนโป่งเงป้งโป่งเป้งเสียงปืนก็มาจากปราราธิบาทใช่ไหมต้มตุนกันมาจาก ไหนก็มาจากมุสาวาตใช่ไหมคดีดําคดีแดงในโรงในัสารก็มาจากหลวงระเบิดชิ้นงาใช่ไหมค่าทันตายค่าวงเล่า ว, วงโบกก็มาจากที่ไหนวงกนนารพนังก็มาจากสุราหมีแล้วยะเป็นส่วนมากใช่ไหมกิ น, นกันระยะระยะ มันไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็เมาเป็นระยะมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็เกิดโรคเป็นระยะมันก็ต้องิีเสียนเป็นระยะมันก็ถอนกำลังเป็นระยะใช่ไหมน <c oughs> <c oughs> องดูลูกหลานเี่ก่อนชาเทพ มองอยู่แดดไม่มีมรรนยาบรู้จักอยู่เออเทศได้ทีนี่ใครเป็นผู้พานุ่งน้อยหอมน้อยขึ้นในประเทศไทยใครเป็นผู้ให้สรรเส ร, ริญว่าเป็นนางงามฮะอะไรรับผีบ้า กรัดผีบ้างามกานาวงามผีบ้าผีบ้าให้คะแนนกันใช่ไหมห ก, ก็แบบสุนัขให้คะแนนกันใช่ไหมนานเข้านานเข้ามันจะเก่งกว่าสุนัขใช่ไหมพวกเราไม่ต้องนุ่งไม่ต้องห่มเปลือยกายเลยเปิดโปงเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเวลาเรานุ่งห่มมันเปลือง เวลารอดไม่ต้องนุง่นุ่งแต่แล้วดูหนาวจ้านิยมกันต่อไปใครเปิดโปงเลยคนนั่นจะเป็นนางงามทายงามทั้นที่หนึ่งก็ผีบ้าให้รางวัลใช่ไหมพระบรมศ า, าสด า, าสอนว่านุ่งเป็นพระฤๅีนมณฑลนุล่งยังไงนุ่งเป็นพระฤๅีนมณฑลคือข้างล่างเพียงครึ่งแค่ ข้างบนเหนือสะดือพวกเราก็หอเอาแต่อวัยวะมันก็บ้าจริงๆ พ, พี่สุพึงทําความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เรียบร้อย พ, พี่สุพึงทำความศึกษาว่าเาจะหมให้เรียบร้อยผมให้เรียบร้อยคือหมยังไงข้าวบ้านติดลุมคอถ้าอยู่ในวัดแล้วแต่สะดวก ไม่ให้ถึงกับเปลือยกายไม่ให้ถึงกับทิ่งผ้าอังสะและสบุสิ่งไหนที่มันล่วงล้ำพระพุทธศาสนาพวกเราไม่ควรเอามาปฏิบัติเพราะมันลบเสด็จจิตของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัว นุ่ง น, น้อยหมน้อยเขาลบเศษธกิจพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวลงบาลงบาเอาลบเศษธกิจของพุทธศาสนาอยู่ในตัวอาบายมุกทุกประเภทก็ต่อสู้พระพุทธศาสนาเดยทางตรงและทางออกมีแต่พระพุทธศาสนามีแต่พุทธศาสนาเทศแอบแอบอยู่ประชาชนไม่ช่วยมันก็ไปไม่ไหวมีน้าซ้าพระผีบ้าไปเรื่อยๆกับเขาอีก พระพิ่าเขาไปเล่นเสาของเขาอีกเหมือนกันนะถ้าไม่มีสิ่งที่ขั่วสิ่งที่ดีก็ไม่ดีถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วถ้าไม่มีสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วก็ไม่อับปางถ้าไม่มีผู้แพ้ย ผู้ชนะก็ไม่มีถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างถ้าไม่มีเกเรกการประพฤติปฏิบัติเพื่อบันเทาเกเรกก็ให้พ้นไปก็ไม่มีถูกหมคนชั่วก็มาจากคนดีคนดีก็มาจากคนชั่วพระบรมศาสด า, าก็มาจากพุทุชนคนหนาพระหันก็มาจากพุทุชนคนหนาใช่ไหม จงทำจิตให้บันเทิงในการและ่วดทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคนเราชอบอวดทุกคนคอยเอาความดีออกมาอวดกันจะเอาความชั่วออกมาอวดกันถูกไหมถ้าสมาชิกพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าพ่อชั้นที่หนึ่งพระปเจดเป็นเจ้าพ่อชั้นที่สอง พระหันตาชีนาศกทั้งเพ็ดถึงเผ็ดายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านที่สามอ่าเป็นเจ้าพ่อทางทุจริตเถิดผลของความทุจริตมีแก่เธออยู่เนะอะขบวนศาลคดีดำคดีแดงในโะรงพิศาลมันจบกระเสียงเป็นกคมและผลของคำจบกระเสียงได้เป็นผู้ไต่สวนผู้ผููตัดสินผู้เป็นพยานผู้เป็นโจทก์ผู้เป็นจำเลย จะให้การจำเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่ผลของกรรมจะตามเธอทั้งหลายอยู่ข้างหลังอีกพระโอลาขึ้นไปภูเขาคิตตะกูไปเห็นเปรตอยู่ที่ภูเขาคิตตะกูยิ้มเห็นเปรตหลานหายชมพูยิ้มพราไม่รู้ไอ้หนูไอ้เด็ถาม พระพุทธเจ้ายืมอะไรหนอเออกเธอไม่รู้จักไอ้หนูไอ้ะอะไรหรอกลงไปถึงพระบรมสารดเราจะเล่าให้ฟังถ้าเล่าให้พวกเธอฟังแล้วนี่พวกเธอก็ไม่เชื่อพอลงมาถึงพระบรมสาราเปรตจำพวกมีต่างๆนานาเข้าไปเห็นที่ภูเขาคิจะกรูดมันมีจริงไหมพระเจ้าค่า ก็เธอไปเห็นมาแล้วใช่ไหมพิกษุทั้งหลายถามเธอว่ายิ่งอะไรเธอไม่มีพยานเธอก็ไม่เล่าให้ท่านเหล่านั้นฟังเธอเล่าว่าบอกว่าไปถึงพระบรมศาสดาจึงจะเล่าให้ฟังเพราะไม่มีพยานเธอพูดอย่างนั้นใช่ไหมพิชูทั้งหลายตลยอยู่ตลอดเกินถึงเ อ, อตายตายตปรกจำพวกเป็นสองฝา เป็นมา้าสองปากบุปกรรมเขาแต่ชาติก่อนเขาทำอะไรประจักห้าตัวเป็นคนหัวเป็นมา้าสองปากแต่ก่อนเคยเป็นทนายความหรือเคยเป็นผู้ตัดสินกินข้างจำเลยบ้างข้างโจร์มาทางโจรถ้า ตายไปตนกนรกออกกับนรกไปก็เป็นมาาสองฝา่เขากินทั้งตูดทั้งจมากเลยเปรดที่มีมือเข้าใบตาไกวไปไกวมาลากดินร่องโอ ย, โ อ, ยอยู่กัเจ้าข้าลูปกรรมใจ่ชาก่อนเป็นยังไงมันเข้าไปในวัดในวาแล้วมันไปจับนมเขาตาแล้วก็ไป ลกนรกออกจากนารกก็เป็นเปรตมือเท่าใบทานมูตัวว่าไปจับน้องเขาอยู่ในวัดพอาะแห้งอเล่าเพราะแห้งนี่มูตัวล้วว่าไงไม่ดีละมีคนภาคอีสานไหมก็มีคนภาคกลางไหมพิจิตเราเอาราได้เออพูกเก็บพวกเก็บพวกเก็บใช้ระบายอยู่พิจิตรนะพิจิตสาพู พี่จิตเพื่เมื่อพิ่จิตโนโลกนะเมื่อพี่ชัยบมงงหน้านไม่ได้เคยถ้าไปพีจิตคุกเก็บเคยไปไปอยู่ทีนี้ไปจำพวกหนึ่งมีเสาฝังหนูที่หัวไปตรงเตงียงตรงเตงียงไปมารองโอยโอยๆอยอยู่มุพรกรรมเป็นยังไงพระเจ้าค่ะโอ้แต่ข้าก่อนมันไปถอน หลับแดนไล่แดนนาของเขาหรือแดนสวนของเขาแล้วมันก็แย่งเอาตายไปก็ไปตกนรกออกจากาศนรกมาก็เป็นเสาฝังอยู่ที่ ห, หัวไควตรงเตียงตรงเงตงเงียงไปตั้งพวกนี้กี่ปีจึงจับสิ้นกรรมอย่างน้อยก็แสนปีในในเมืองผีไอย่างเงา เสียนห้าถ้าล่วงแล้ว่็เสี้ยนห้าตายไปพญยายามตัดแข้งตัดขาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่หลายแสนปีเพราะทำปาณาจิบานผลของกรรมเกิดขึ้นเองนะลูกไม่ใช่หรือนแต่งขึ้นพระญายามเขาไม่ได้แต่งขึ้นพูที่เจ้าก็ไม่ได้แต่งขึ้นพว้ปีิบัติไม่ได้แต่งขึ้นสวรรค์ของมันครับบุญกรรมของบุคคล ที่ทำแล้วมันเกิดรับเองมันเป็นของทิพเกิดรับเองของทิพมันแบ่งเป็นสองทิพย์ทางขั้วก็มีทิพย์ทางดีก็ดีทิพย์ทางขั้วคือนโกทิพย์ทางดีคือสวรรค์ส่วนพระราหานันพ้นจากทิพย์มาแล้วเกิดมาในชาติไหนก็ถูกเาฆ่าทุกชาติพวกกิปานาคิบาสพวกอาทินนาทานตายไปแล้วตกงน้นหรก ออกจากนรกมามีอะไรเขาก็รักไปหมดนี <c oughs> ่พูดก็อดเต็มทีพวกกาเมยซึ่งไม่ช้าจางตายไปตกนระกออกจากนระกมาเป็นเป็ดออกจากเป็ดมามีลูกมีหลานมีเมีย ม, มีอะไรเขาไม่ย้ำเกรงเขาเอาไปทําอันไม่ดีไม่ได้หมดพวกจะพูดมุสาตายไปตกนรกอกออกจากนรกมาเป็นเป็ด ออกาการถหม อ, อปไปอากาศเปรดไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่พูดยอดเต็มทีรักยิ่งสานยังไม่พูดเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกต้มตุ๋นเขามีปากก็เห็นพูดยือยานนี่ก็เหม็นพุ่งไปเลยไปพูดคำจริงเขาก็ไม่เชื่อมักถูกต้มตุน๋นบ่อยๆโทษกาเมศวรคาการ ลืมไปตายไปตกนรกพยาโยมเอาเม็ดเหล็กแดงมาเฉือนถ้าเป็นผู้หญิงก็เฉือนโยนีนถ้าเป็นผู้ชายก็เฉือนอง์้าติตลอดถึงท้องทุกคนทุกแขนตายแล้เกิดตาไดล้เกิดอยู่นั้นอาโห หรือจากนั่นมาก็มาเป็นเปรดหลายแสนปดเอาจากเปรดมาก็มาเป็นสัตว์กินเนื้อสถ้าเป็นโคก็ตายด้วยราคะลงกันแย่งชิงตัวผู้หญิงเหยียบก็ตายว่าชนกันตายว่าตัวที่เป็นผู้หญิงก็ถูกเขาเหยียบตาย มาเป็นมนุษย์ก็มายมีใครเกง่งไม่มีใครยำเกรงมีลูกมีผัวมีเมียเขาเอาไปทําอันไม่ดีไม่ได้มดโทษโุดาปวดรักละลั่นไปอันนั้นควรพูดก่อนก็พูดทีหลังนะอันนั้นควรพูดทีหลังก็ไปพูดก่อนสัไม่พูดเป็นลำดำับโทษโชดาตาแล้วก็ตกนรกละเอียดระออมากอันนี้คนเดีย พยายามออ่น้ำเลืเอแดงกอกป่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่นั้นร้อยแสนปีออกจากนั้นมาก็มาเป็นเนป็ดร้อยแสนปีจากเป็ดมาก็มาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์หรือบ้าเพราะเศษกรรมของสุราเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์บ้ามาแต่เกิดโรงพยาบาลสีสัญญารักษาไม่ไหวเลย มระกรรมของสัตว์ต่างๆอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นผู้มีเิ่นหน้าบริจึงปิดอบายตาุ่มสักนักเสื่อรบันไม่เช่ได้อย่างว่ามันละมดเชหา้าไม่เช่ดได้อยากถือศาสตราไม่เชี่ได้อยากจะถืออยู่งยงคงกบันไม่เช่ดได้อยากจะถือแบดีงามไม่เชื่ อ, อ, ดอ ไ, ไ, ได้อยากลงอบายยมุไม่เชื่ดได้อยากจะถือศาสตาอื่นสิ่งไหนที่ไม่เชได้อย่างนั้มิดสิ่งนั้น มันก็ไม่นกไก่เพราะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนั่นคือพระสโโูตรด่าตายเวลาไหนไม่มนุษย์ก่อสวรรค์เดินทางตรงไปสู่พระนิพพานตากว่านั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ก็คือผู้มีมนุษย์สอมบัติก็คือผู้พัฒนามนุษย์สอมบัติก็คือพุทธ ผู้พัฒนาอุดมคติในวัตถุนิยมสวรรค์สมบัติภพสมบัตินิพ่านสมบัติไปในทัวด้วยถ้าผู้ล่วงละเมิดอันนั้นแหลสำมนุษย์ไม่บัตรสวรรค์ไม่บัตรภพไม่บัตรอาวายมุกยิ่ ง, ง่ายกว่าเขาอาบายมุกทุกประเทมันก็เป็นปฏิปัติกับศีลหา้าใช่ไหมนะแสงมากแสงวัวนชนก่อยาเราพัดอาายมุก นน้อยห่มน้อยอวัยมุกทั้งนั้นโรงหนังโรงละครโรงลิเกอาวายวะมุกทั้งนั้นแต่ชาวโลกชอบทำกันทำไมชาวโลกจึงทอบทำกันขอบคนมันอยู่ในระดับเมื่อแรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมมันก็บอกว่าสังคมของมันนิยมของมันใช่ไหม มแมลงผู่มแมลงพึ่งมันก็บอกว่าสังคมนี่นิยมของมันใช่ไหมทำไมจึง่าไม่ใช่ไหมว่าให้มันแน่นลงเขาไปชี้เขใช่หมาเองล่ะ ว, ว่าให้มันแน่นลงใครก็เม่พ่อเม่แม่ ชาตรี่ทุกขะแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์มาอย่างนันเนาะว่าให้มันแน่นลงเช้าพิทุกขาแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์แนะนำพิทุขะแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์แน่นลงพ่อโจกเต้าพ่อพิไรลําพันพ่อพระธาตุกาศสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่พอยกใจแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์มา่านั้น คำสอนของพระพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นไปเบื้องกลางเบื้องสูงยิงว่าจัดสรรขยันขณะนาทิตยิกัลยาณนะ์งสอนเบื้องต้นมัทเทกรกัลยาณนะ์นางสอนคำกลางปริโยสานรกรัลยาณนะ์นางคือสอนพระการสอนเบื้องต้นคือพระสสดิ์วันสอนเบื้องกลางคือจักรตาคารเนะครับสอนเบื้องใต้คือพระหลังตามความนั้นลงมาพระพุทธศาสนาไม่รับรอง พระพุทธศาสนาเด่นอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยผู้ใดเบียดเบียนพรพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมทางใกล้และทางไกลหรือรู้ตัวพอดีไม่รู้ตัวพอดีก็ถ้ากับวิชาบ้วนทางานขึ้นว่ามัดใจลัทธิข้า ก, ก็บ้วนไม่ถึงใช่ไหม <c oughs> วิชาคว้างปลาใส่ต้นข่าเสาคว้างไกลมันไม่ไม่ถูกมันไม่ถึงกว้างข้อ ใส่หินดานค้อนตอกเสีวค้อนโตโต้กว้างไกลมันก็ไม่ถึงกว้างไกลนักหน่วยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหมกันวิชากคำฝนโตลมลมหัดมาตึงตึงโกดให้ลมก็กว้างดับตาไม่ทันเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกเลยผู้เรียนเรียนนะพุทธศาสนาในตามตรงทางอ้อมก็เหมือนกันศาสนาใดๆในตจโลกธาตเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธอยู่ในตัวแล้ว ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็พูรู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อแล้วไม่เชื่อยกก็เท่เชื่อทิดจะไม่กี่ร้างล้านก็เชี่อไปในทางขึ้เนื้อโดยไม่รู้ตัวชําไดคําสอนใดก็เป็นมังเคลนคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจ้ำนั้นไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็พูรู้แล้วไม่รู้จริงอยู่ไม่มีกลางวันลางคืนด้วยเชื่อไปทางลึก เครื่องนี่ยเทียมในทางทุกข์ขึ้นก็ให้กำหนึ่งในคาถานั่งให้น้องครองเบืองบางต่างๆไรรงสูมาสมุทรทะเโดยไม่ไรู้ตัวชั้นใดและไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยคํำสอนอะไรก็ไรรงสูค่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเหมือนกันเอาอยกอุตารหอนพระมคคลาสาธีบุตรนี่ออกจากสวนชัยนาฏบตรบเสียฟอนจึงมายยนดีศาสนาพุทธจึงสําเร็จพระโสดาบัน าาคำสอนศาสนาใดๆก็ดีอยู่แต่ว่าบุนบันดีไปคนละอย่างเพราะบัญญัติไม่ถูกที่ว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจะขอจากศาสนาใดล่ะก็ต้องขอาจากจากศาสนาพุทธเพราะบางศาสนาก็บอกว่าข่าตัดไปสวัสดิบัญญัติบาบุญกุลบไม่ถูกเช่นนี้ ใคเป็นผู้บัตรบำหยัดบับนคนโทษถูกข้อาศัตรูพุทธเรานั้นะพระพุทธท่านเจ้าของเราไม่มีเกสรไม่มันหยัดเข้าข้างตัวแล้วพระของตัวแล้วหมู่ของตัวด้วยพวกเราทุกวันนี้มันไม่ใช่ประชาชืปไตยมันประชาที่ประเงินใช่ไหมเมึงไม่ลงให้คะแนนให้กูกูเอาประชาที่ประเงินกูมาใช่ไหมนั่นนั่นนั่นข้าพุทธศาสนา ตัดเศษบางกรณีเอาตามของเอาตามคํ า, าคของคนมากเป็นประมาณบางบางกรณีแต่คนมากในที่นั่นท่านเขเลือกเพื่อนดีเธอจะเรียนจบพระไตรปิูกก็ตามเพราะมาเพื่อของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียไม่เหมือนพวกเรานี่นี่คําสอนพระพุทธศาสนาะนี่นี่นี่นี่นี่พระพุทธศาสนาเพราะเพราะพระ อ, องค์เขาทำเสียก่อน อ๋อสร้างไม่สร้างกว่าสร้างก็ดีจะเรียนมาจากประเทศนอตดิต่งสักเพียงไหนกาจารย์ตั้งเสาเถิดถ้าไม่เอาดิ่งมาไม่เอาอาจารย์ดิ่งมาก็เถียงกันมันยังข้ามเหรออ๋อลบไปทางนั้นลบไปทางนี้เอาอาจารย์มานี่อาจารย์เอาสารยุทธธรรมมานี่ก็หมดเรื่องกันลบไปทางไหนตําไปทางไหนเอาอาจารย์ระดับหน้ามา ก็หมดเรื่องกันถ้าไม่เอาอาจารย์ระดับหน้ามาก็เถียงคำอะไรนครับฉันใ น, น, นก็ดีตั้งก้อนไมก้หมู่ไม่ ม, มองดูคำสอนพุณศาสนาไหมันก็ไปไม่รอดตามเอาของคนหมูมากคนตัวมาเอา้าสมมติเราคนหมูมากทุกวันเนี่ยในไต่รดพระธานเนี่ยเขามาออกเสียงว่าไมมควรให้ไม่บาปไม่บนจะเอาไหมเลางปู่ไม่เอาเนอะลูกหลานจะเอาเขอเอาซะ <c oughs> เขาว่าไม่ลงเขาอยากมากกดนัดเดียวกว็เสร็จเลย เนต้รงกูชามูชาพระพุทธรรมประสง์เลยหลูไม่ออไมาไม่ไปด้วยไม่ใช่ราชาที่ประทยไม่ใช่ประชาที่ปไตยไม่ใช่โลกาที่ปไตยไม่ใช่อัตตาที่ปไตยคือเข้าข้างตัวไม่ใช่โลกาที่ปไตยคือเข้าข้างโลกไม่ใช่ประชาที่ปไตยคือเข้าข้างประชาชนไม่ใช่ราชาที่ปไตยเข้าข้างราชา เป็นธรรมมาธิปไตยคําสอนพุทธศสาสนาสอนโลกเนี้นั้นจึงไม่เหยียดเบียนท่านตนและท่านผู้อื่นจึงมีประโยชน์ผู้เอาใบ ป, ประพฤติน้อยก็ได้น้อยผู้เอาแบบพฤมากก็ได้มากไม่เข้าข้างข้างใครย่างเขียนหนังสือไม่มองดูบรรทัดมันก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันถูกมไหยบรรทัดเขาทําดีแล้วเนี่ยนะ เป็นสิทธ์ต้องเป็นสิทธิ์ที่มีครูเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ถูกไหมนะเอา้าพวกที่ได้ราบได้ยศมาในทางที่ไม่ชอบทำเขาไปได้ไหมเขาเขาไปไม่ได้ผลบังคาบตามสนองใช่ไหมนั่ น, น, นผู้ได้อำนาจวาดศสนามาในทางที่ไม่ชอบไปได้ไหมนั่น ผลของกรรมมีอยู่ละเอียดที่สุดผลของกรรมเก่งกว่าตำรวจทหารอีกด้วยนะใครๆครเข้ามารกันนี่เราไปยิงนกนกเขานี่อายุสิบห้าปีได้นกเขาตัวเดียวด้วยกล้องเป่าด้วกล้องเปาประมาณสองวานลูกขนาดนี้ลูกผุเขายังหัลูกผุพันเลยนุ่นคาดเข้าไปคาดก็ไปคาด้าไปขาดกับไป มันมีป่าแล้วม็อกคานข้าโค้งคานคามาข้างหลังมนคานเากปเขาไปมาเขาไปป่าป่าหญาฝรั่งมันก็จับตาเขามันมองอย่านี้ตัวเดียวลูกเขาลูกเขาทองขนนี้อยสอดกองเป่าเกินมองดีๆแล้วกัน โรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันฉันยาอยู่ทุกวันเอามาเอามาเอามัเอามา้ยนี่เห็นกับท่าลูกหลานเอ๋ยไปใส่เบ็ดเป็นพานเบ็ดอายุสิบห้าปีเริ่มโรงเรียนแล้วก็ไปแล้ว ปลาไหลมันกินเบ็ดที่นี่ก็ใส่รากดินไวนะ้ปลาไหลมันชอบมันกินเบ็ดทีธรรมดาปลาไรกินเบ็ดมันกืนลงท้องซะ ก, ก่อนมันจะไปมันไม่เหมือนปลาธรรมดาหรอกกืนลงท้องซะ ก, ก่อนบางวันก็วันละตัวบางวันก็ไม่ได้แต่ว่าถูกปลาความเป็นจริงเราก็ใส่เอาปลานั่นเดงแต่ว่าใส่เบ็ดที่มันกรองไว้ที่ดินรากๆปลาปไหลมันกิน ได้ห้ากตัวละื่อชีวิตนี่ก็เกือจะถึงสักสิบกว่าตัวละอะไรที่กินเบบแวกเอาแวกออาแหวก็อวกจะปากมานี้เวรอนอนตา ม, มาสนวอ่างเงี้ยสองพันห้ารอยสามสิบเหมือนกันถุงนํำเป็นโลคถุงน้ำดีเช่ี่มสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดอย่าเี้ โรคถุงน้ำดีไม่ใช่ไม่ใช่โรคไตโรคถุงน้ำดีที่อยู่แล้วในระหว่างตับโรคถุงน้ำดีตาเหลืองเข่าล ย, อยาเอาไปตรวจโรงพยาบาลทีนักนะคารนินพวกคุณหมอก็เอ็กซเรย์ดูมดทุกอย่างเลยยังเหลือแต่อันลงนี่ เอาสายยาขนาดนียัดเข้าลงนี่พวกคนหมอพวกคนหมออย่าได้วางยาลงปู่ให้สรบได้